4.3 ศึกษาธรรมะแล้วมีภูมิต้านทานความทุกข์วงเล็บเปิด21ตุลาคม2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที62วงเล็บปิดการศึกษาธรรมะคือการลงทุนให้แก่ชีวิตเราเองเราศึกษาธรรมะแล้วมันเหมือนเรามีภูมิต้านทานความทุกข์เวลาที่ความทุกข์หรือปัญหาชีวิตมันเข้าถึงเราเราจะอดทนอดกลั้นได้มากกว่าคนทั่วๆไปอย่างคนนี้ทุกจนจะฆ่าตัวตายแล้ว แต่เรายังไม่ค่าคือเราจะทนต่อโลกได้เยอะขึ้นเป็นกลางต่อโลกได้มากขึ้นอยู่กับโลกแบบมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นการลงทุนให้กับชีวิตของเราทุกคนก็ล้วนแต่ลงทุนให้กับชีวิตตัวเองทั้งสิน้นอย่างตั้งแต่เด็กๆมาไปเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้หวังว่าจะมีความรู้ไปทำมาหากินมันก็คือการลงทุนนั่นเองหวังว่าทำมาหากินได้ร่ารวยแล้วจะมีความสุขก็คืออยากลงทุนให้ชีวิตมีความสุข การทำอย่างนั้นก็มีความสุขเหมือนกันนะแต่ไม่เต็มที่หรอกส่วนการลงทุนด้วยการศึกษาตัวเองตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เราจะพบความสุขต่อหน้าต่อตาเลยความสุขนี้ไม่ผันแปร ى, ความสุขนี้ไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นเพราะฉะนั้นความสุขของเราไม่ต้องไปแว่งตามคนอื่นอย่างในทางโลกเราต้องแกว่งตามคนอื่นเรื่อยๆเช่นเราไปทำของมาขายก็ขึ้นกับคนซื้อถ้าเขาไม่ซื้อเราก็กลุ้มใจหรือเราจะไปจีบสาว สาวไม่เล่นด้วยเราก็กลุ้มใจความสุขของเราต้องอิงอาศัยคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะนะเราไม่ได้อิงอาศัยใครเรามีความสุขด้วยความรู้เท่าทันตัวเองอยู่กับโลกอย่างมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเหมือนดอกบัวอยู่ในน้ำแต่ไม่เปื้อนน้ำเลยไม่เปื้อนโคลนตมมีความสุขค่อยศึกษาเอาฉะนั้นอย่าตรหนีในการเรียนรู้นะ